ไม่อย่างนั้นก็ต้องขึ้นไปดาดฟ้าอยู่เรื่อยอัตสมัยก่อนมีเหมือนกันนะอาตมาตอนตอนตอนเด็กๆหน่อยนะก็มีเด็กวัยรุ่นชอบโอ้เอเอเพื่อนเนะ่ยมีพี่สาวอยู่คนหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็เออเราก็รู้สึกว่าเออพี่สาวเขาสวยดีรู้สึกว่าชอบ ก็ไม่ไม่ได้เดินไปดูที่หน้าบ้านเขาหรอรู้สึกเขาเป็นร้านตัดผมแล้วเราก็โอ้ยให้ไปเดินดูหน้าบ้านไปเดินดูยงังไงใช่ไหมก็เลยขึ้นไปบนดาดฟ้าดูหลังคาบ้านอย่จงิงจรอ่ะจริงจรก็อย่างนั้นจริงริงนะเออบอกว่าเออมันจริงจรงเลยถ้าจิตของเรามันมีมันก็เป็นอย่างนั้นอะ แมอันตร า, ายังหนึ่งบอเออไอที่บางทีเขาพูดเล่นๆเขาพูดอะไรเหมือนอย่างนีจริงๆนะมันไม่ใช่เล่นมันเป็นสภาวะจิตใครเป็นอย่างงั้นก็เป็นแต่อตอนนั้นน่ะพูด ง, ง่ายๆว่าเราก็เหมือนยังเป็นเด็กๆอยู่วัยรุ่นอยู่มันก็เออมันก็ไปตามอารมณ์แต่พอตาหลังเนี่ยโตขึ้นค่อยๆฉลาดขึ้นค่อยๆรู้อะไรมากขึ้นไอพวกนี้เราก็ทิ้งไปเรื่อยทิ้งไปเรื่อยเพราะมันก็เห็นความโมเห็นเห็นความโอ้โ บางทีลาบากลําบงก็ไปยืนดูอยู่นั่นแหละ <c oughs> เออยืนดูได้นะเป็นชั่วโมงชั่วโมงเออแหมบางทีก็เออก็เดินมาโผล่ทุกทีก็เออแหมดีใจหน่อย <c oughs> บอกไร้สาระจริงๆเลยเออแต่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละนี่อันเนี้ยนนพูดให้ฟังแล้วเราจะได้เข้าใจแล้วมันจะมาเห็นเออเ อ, เ อ, เอความโง่ความไม่ฉลาดของเราพวกเนี้ยแล้วมันถึงคราวเนี้ยมันถึงเห็นเป็นทุก เห็นความวุ่นวายเห็นความสับสนมันถึงโอ้โหตัดทิ้งไปเลยเดี๋ยวนี้นั่นเนี่ยยิ่งเรามีปรรยายาัญญาญาณพวกนมันจะตัดทิ้งไปเลยอโอ้ยไม่เอาแล้วยิ่งใครเนี่ยไปผ่านมาไปผ่านประสบการณ์มาแล้วยิ่งเจอทุกจริงจริ ง, รงได้ด้วยเนี่ยคุณเข็ด จ, จริงไหม ต, ต้องถาม่างนี้ว่าคุณเข็ด จ, จริงไหมคุณเห็นทุกจริงไหมถ้าคุณเห็นทุกได้จริงคุณเข็ดได้จริงรับรองเลยว่า ไม่มีซ้ํารอยเดิมไม่มีประวัติศาสซ้ํารอยเด็ดขาดยิ่งบางคนเนี่ยไปกินของอร่อยๆโอ้จริงกินจนกระทั่งมันมาถึงกอหอยจนกระทั่งมันท่วมทนจนกระทั่งอ้วกถ้าคุณเห็นทุกจริงนะเพราะคุณไปกินแล้วคุณเห็นทุกอย่างที่ได้จริงรับรองว่าคุณเลิกกินเลยเอาหารอร่อยอนะันนะั้นอะ แต่ น, นี่ไม่เขตหรอกบางคนเห็นไหมถึงจะอ้วกยังไงก็เนี่ยไอ้ไอพวกกินเหล้าเมายายพวกอะไรที่มันอ้วกแล้วกี่กัางกี่หนมันยังยังเสพอยู่เลยเพราะอะไรเพราะไอ้ทุกข์ที่เกิดขึ้นมันมันว่าเล็กน้อยไอ้ตอนที่มันเสพอะโหไม่ได้กินสูบดื่มเสพน่ะมันโอ้โหคิดว่ามีความสุขเหลือเกิน <c oughs> เพราะเห็นไหมมันยังยึดความสุขนั้นอยู่เพราะตราบใดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ที่ใครเนี่ยยังยังไปมองสิ่งนั้นเป็นสุขอยู่สุขอยู่สุขอยู่ตามนั้นคุณเลิกสิ่งนั้นไม่ได้ถ้าคุณยังไม่เห็นทุกอริยสัตว์ทั้งทั้งที่ความเป็นจริงในโลกนี้ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปถ้าตาบใดคุณยังไม่เห็นสัจจะตรงนี้ไม่มีทางเลิกไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม ไปเทียบนะไปเทียบเองนะเรื่องอะไรก็ตามจะดูหนังฟังเพลงจะอะไรอ่ะแต่งเนื้อแต่งตัวจะเฟอร์นิเจอร์จะอะไรอ่ะเสื้อผ้าอ ะ, อะไรก็แล้วแต่แหละข้าวของเครื่องใช้คุณไปติดอะไรแล้วคุณยังไม่เห็นเป็นทุกข์เนี่ยคุณก็ติดอยู่อย่างนั้นเนะ่ยเลิกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ ประเด็นสคัญคือต้องเห็นทุกข์ให้ได้เหมือนผู้ชายรักผู้หญิงผู้หญิงรักผู้ชายจะเลิกรักได้ก็ต่อเมื่อต้องเห็นรักเป็นทุกข์ให้ได้ถ้าตราบใดยังเห็นรักเป็นสุขอยู่คุณเลิกไม่ได้อา้าวอันนี้เป็นสัจธรรมเลยนะแล้ว เ, เนี่ยจะเปรียบเนี่ยเรื่องผู้ชายผู้หญิงก็ได้เปรียบเรื่องอาหารการกินก็ได้ คุณยังกินอะไรอร่อยคุณยังชอบอย่างนั้นอยู่มันอยู่ในจิตวิญญาณเราเลยนึกขึ้นมาทีไรก็โอ้โหชอบอร่อยอยากกินถ้าตราบใดคุณยังนึกอย่างเนี้ยขนาดบางทีบางคนบอกแล้วตั้งตะบะแล้วเนี่ยรู้แล้วนะรู้แล้วนะแต่ยังอดไม่ได้เลยเผลอเผลอใจไงเพราะว่าไอ้ความเคยชินสัญญาเก่าเนี่ยมันมีมันจะขึ้นมาหลอกคุณเรื่อยกิเลส ม, มันอยู่ไม่สุกหรอก อยู่ไม่นิ่งอะไรแหละสำนวนเขาอยู่ไม่สุขจริงๆก็คือมันอยู่ไม่นิ่งมันไม่ปล่อยให้คุณคุณคุณไปคิดอ่าให้เห็นว่ากิเลสเป็นทุกข์หรอกเออมันไม่ยอมหรอกเพราะมันมันมีแต่จะต้องมาพยายามเกลี้ยกล่อมคุณทําให้คุณเห็นให้ได้ว่ากิเลสเป็นสุขอ่ามันจะต้องหลอกคุณให้ได้แล้วถ้ามันหลอกได้สําเร็จเมื่อไหร่คุณยังอาณาขนาดคุณตั้ง ต, งตบาบะบอกละ คุณตั้งตบาบะเนี่ยแต่คุณเผลอจิตคุณไม่ได้เลยเพราะอะไรพอคุณเผลอจิตเมื่ อ, อไหร่ปั๊บทันทีเลยไอ้ที่ขึ้นมาเนี่ยนะโอ้โหไม่น่าตั้งตบาบะเลยเอาแล้วนะโอ้โหแต่ก่อนเราเคยจะกินเนี่ยก็จะกินเท่าไหร่ก็กินได้ใช่ไหมโอ้เดี๋ยวนี้มาตั้งตบาบะดูที่กินเหลือได้ชิ้นเดีย่ยมันจะอะไรอวรไอ้สภาพอะไรต่างๆพวกเนี่ยมันจะขึ้นมาเล่นงานคุณตลอดเลย เพาันคุณคุณเลือกไม่ได้เลยนะถ้าคุณไม่เท่าทันจิตเนี่ยคุณไม่เท่าทันจิตเนี่ยมันก็จะกิเลสมันก็จูงคุณไปเรื่อยๆจูงคุณไปเรื่อยๆจูงขึ้นไปเรื่อยๆคุณก็ยินดีพอใจแม้แต่บางทีเรื่องเที่ยวเตะก็ได้โอ้โหเราจะไปที่นั่นเราจะไปที่ตรงนี้โอโ้บรรยากาศก็ดีนะลมพัดมาเย็นๆอะไรต้นไม้เขียวๆก็เยอะโอโ้ที่ก็สะอาด ผู้คนก็ไม่ค่อยเยอะเหมาะเลือกเกินอ้ออย่างเงี้ยใช่ไหมอาอแล้วโอ้โหคนที่ติดอย่างนี้มีเหรอคุณจะไม่อยากไปที่นั้นนะคุณก็อยากจะไปถ้าคุณติดอะ่ะติดนี่หมายถึงจิตมันยังมีอยู่นะมันติดอยู่ในจิตเนี่ยเป็นภาวะตันหาติดอยู่ในจิตเนี่ยเราเรียกว่าภวะตัหาอ่า เพราะฉะนั้นนะเน่ะเผลอเผอนะขนาดไม่ได้ไปเนี่ยก็ยังเสพทางจิตนี่เลยคิดทางจิตนี่อะไรเนะี่ยตอนนี้ภาวะตัณหาเกิดขึ้นแล้วมาจากอะไรตัณหาอันนี้เกิดขึ้นจากอะไรมาจากภาวะา พ, พราะวะ่าพบก็คือคือพบที่คุณไปสร้างคุณไปปั้นเอาไว้ในจิตคุณนั่นแหละคุณไปสร้างปั้นอะไรไว้ ปั้นความยินดีปั้นความพอใจปั้นความสุขเอาไว้ในสิ่งนั้นในสถานที่นั้นคุณปั้นเอาไว้อย่างเนี้ยเราเรียกว่าภาวะภพแล้วพอปั้นไว้อย่างนี้เนี่ยพอมันกําเริบขึ้นมามาเล่นงานคุณคุณก็โออยากได้อย่างนั้นอีกก็เป็นภวะตันหาขึ้นมาแล้วถ้ามันมากพอแล้วคุณข่มไม่ได้คุณสู้กับมันไม่ได้เพราะว่าคุณปล่อยมันปล่อยให้มันอะไรอะ ดำเนินไปยืดยาวเกินไปมันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟตอนนี้ไฟตันหาตันหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่เป็นภาวะตันหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณปล่อยให้ไฟเนี่ยมันลุกจนกระทั่งกองใหญ่แล้วอะคุณพยามาตั้งตะบะคุณพยามาถือศีลคุณพยามาปฏิบัติธรรมแต่น้ำคุณนี่น้อยเหลือเกิน ที่ใช้คําว่าน้ําน้อยเพราะว่าจิตส่วนใหญ่เราเนี่ยมันไปเสพมันไปคิดอยู่แต่ไอสัญญาไอความทรงจําในจิตคุณเน่ยคุณไปปรุงมันอยู่เรื่อยเลยคุณไปปรุงมันอยู่เรื่อยเลยไอไฟแห่งตันหานี่ไฟแห่งตัน ห, น, หงตนหาแปล Rolle ว่าความทยานอยากไฟแห่งความทยานอยากนี่คุณปลุกปลุกปลุกปลุกให้มันลุกปุบปับปุบปับปุบปับอยู่เรื่อยเลยเสร็จแล้วน้ําน้ําที่จะมาเป็นสีมาเป็นตบ่าของคุณเน่ะ อุตส่าห์มาตั้งตาบะนะแต่พอมาตั้งเสร็จนะจิตส่วนใหญ่ไปคิดถึงความชอบความพอใจที่เราติดเรายึดอะไรอยู่คุณปล่อยให้มันไปสมมติทั้งวันเนี่ยอาวันหนึ่งกลางวันที่ไม่ใช่เวลานอนเนี่ยนอนสักกี่ชั่วโมงนอนสักหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงอ่ะประมาณนี้นะอะ่วันหนึ่งมียี่สสี่ชั่วโมง 24ลบลบ6ชั่วโมงเหลือแต่สิบชั่วโมงปรากฏว่า18ดชั่วโมงเนี่ยนะเกินกว่าครึง่งครึ่งหนึ่งคือเท่าไหร่เก้าชั่วโมงเอาปรากฏว่าสิชั่วโมง11ชั่วโมง12ชั่วโมงเนี่ยจิตคุณไปอยู่ในภาวะตัณหาไปอยู่ในภาวะพบคุณปล่อยให้จิตคุณเนี่ยเออไปไปคิดถึงไปปรุงถึงไปฟุ้งถึง โอ้ยไอหนีเราก็ชอบไอโดนเราก็ชอ บ, น เ, ชอบเนี่ยเนเนี่ยไฟอนี้ก็โตขึ้นโตขึ้นสวยไอ้น้ำน้อยบอกแล้วเหลือแค่อะไรเหลือแค่ห้าชั่วโมงบ้างสี่ชั่วโมงบ้างเออมานั่งเจโตสมาธ <c oughs> หรือว่ามาฟังเทศฟังธรรมคุณฟังธรรมสักกี่ชั่วโมงกันเอ้าเอาเ อ, าอาย่างเก่งก็สองชั่วโมง <c oughs> คุณฟังทำสองชั่วโมงอ่ะจิตก็ปรุงไปทำใช่ไหมในสองชั่วโมงอ่ะก็ถือว่าอ้าวสองชั่วโมงแต่หลังจากสองชั่วโมงเดี๋ยวบางทีไปผัดกับข้าวไปอะไรอ่ะไปขุดดินฟันหญ้าไปทําอะไรปรากฏว่าโอ้โหจิตฟุ้งอยู่แต่เรื่องกิเลส ข, ของตัวเองเรื่องนั้นเรื่องนี้นนสิบกว่าชั่วโมง <c oughs> คุณคุณเอาจิตเนี่ยไปปรุมไปฟุ้งแต่เรื่องพวกนี้แล้วมันจะสู้ไหวยังไง บางทีพ่อท่านเลยเลยใช้สมนวนว่าอะไรอาทิตย์หนึ่งมาวัดครั้งหนึ่งก็ออถือว่าแย่แล้วถือว่าแย่แล้วก็มันเทียบกันแล้วมันเทียบกันยังไงได้อ่ะก็เจดวันอ่ะอาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันมาวัดหนึ่งวันใช่ไหมแล้วอีหกวันอ่ะแล้วหกวันเนี่ยถ้าเกิดเป็นไงอยู่บ้านก็เหมือนอยู่บ้านคืออยู่บ้านไม่เหมือนอยู่วัด <laughs> อยู่บ้านก็เหมือนอยู่บ้านก็คืออยู่บ้านก็คิดไปอย่างบ้านๆคิดอย่างโลกโลกอ้าวเพราะนั้นหกวันคุณคิดแบบโลกโลกคุณมาวัดสักวันหนึ่งจริงๆมาไม่เต็มวันด้วยนะมาไม่กี่ชั่วโมงมาวัดน่ะวันนึงอะนะใช่ั้ยเพราะฉะนั้นเอาละต่อให้วันหนึ่งเลยด้วยเอาอย่างเก่งเนี่ยคุณก็มาคิดถึงเรื่องดีๆคิดถึงเรื่องกุศลคิดถึงอะไรพอมาวัดเน่ก็มาวัดก็เอาใจมาวัดด้วย ียังยังบางคนมาวัดแล้วเอาใจมาวัดนะบางคนมาวัดแต่ใจยอยู่บ้านอันนี้ยังไม่พูดถึงเลยเพราะฉะนั้นคิดดูเอาสิว่ามันเทียบไม่ได้เวลาในการคิดถึงในการอะไรของจิตเราเนี่ยน้ำน้อยแพ้ไฟเพราะนั้นสิ่งที่คุณจะกระทำออกมาต้องเป็นอย่างโลกโลกแน่เพราะส่วนใหญ่อยู่กับโลกหมายถึงจิตของคุณส่วนใหญ่จิตเป็นประธาน เมื่อจิตส่วนใหญ่อยู่กับโลกคุณจะทำอะไรออกมาส่วนใหญ่ก็ทำออกมาเป็นโลกโล ก, กีคุณจะไม่ทำออกมาเป็นโลกในทางธรรมหรือโล ก, กุตระหรอกเพราะมันสู้ไม่ได้ไงเราะอันเนี้ยฝากให้พวกเรายกเว้นว่าควนี้บางคนแม้อาทิ์มาครั้งหนึ่งก็ตาม แต่ในขณะที่เขากลับบ้านเขายังไปอยู่บ้านนี่แต่เขาทำบ้านคือคื อ, อ, อ ท, ทใจเขานี่เขาทำบ้านให้เป็นวัด <c oughs> คือทําใจที่ยังเราลึกถึงศีลเราลึกถึงธรรมเราลึกถึงตาบะอ่าอย่างนี้เห็นไหมเพราะจิตส่วนใหญ่เขายังอยู่วัดจิตส่วนใหญ่ยังมาวัดจิตไม่ได้อยู่บ้าน พราะคนนี้แม้อยู่บ้านก็ตามแต่จิตส่วนใหญ่เขาอยู่วัดเขาจิตส่วนใหญ่เขาปฏิบัติธรรมเพราะฉนั้นเวลาส่วนใหญ่ของคนนี้อ่าคราวนี้น้ํามากแล้วเพราะพอเวลาจิตมันจะฟุ้งไปเรื่องกามเรื่องราคะเรื่องโทสะเรื่องอะไรต่างๆเรื่องโลกโอ้โหรีบมีสติใช่ไหมรีบรู้ตัวอ่ า, อานี่จะกลับบ้านอีกแล้วเหรอวันนี้ยทําไมรีบกลับบ้านไวจัง อารีบรู้ตัวพอรู้ตัวเสร็จเฮ้ยมาวัดก่อมาวัดก่อนรีบมาวัดเพราะนั้นก็จะคิดปรุงไญในทางธรรมนะาทำมาวิจัยอ่ยนะมีสติแล้วก็ทำรรมาวิจัยที่จะเออพิจารณามันก็จะเปลี่ยนแง่คิดจากโลกโลกมาเป็นแง่คิดในทางธรรมฮ้อนคนเนี่ยกําลังวิปัสสนาอยู่เรื่อ ย, อยวิปัสสนาอยู่เรื่อยฮ้อนจิตคนที่เข้ากระแสธรรม ใครที่ทําจิตได้อย่างนี้นั่นแหละพฤติกรรมหรือว่าวาจาคราเนี้ถึงจะออกมาแล้วมันไม่เป็นแบบโลกไม่เป็นแบบโลกีมันจะโน้มมาในทางธรรมแล้จะพูดคุยก็ตามจะทํางานก็ตามจะออกมาในลักษณะที่เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ไม่เป็นแบบแบบที่มันจะไปผิดศีลหรือว่าไปผิดตะบะเรา อันเนี้ยพยายามพูดสภาวะตรงนี้เพื่อที่เราอย่าง น, น้อยเนี่ยเราจะได้รู้แล้วก็ได้เห็นถึงความสำคัญแล้วก็จะได้ไม่ประมาทเพราะบางคนมาอยู่วัดแล้วก็ยังประมาทอาจะมาบอกตรงๆได้เลยขนาดที่สันเตียโศกที่ชาวโศกเราเนี่ยนะขนาดว่าเราพยายามให้มีการตรวจศีลหรือเนีมีการตั้งตบาบะอะไรก็ตามขนาดเราพยายามอย่างนี้นะ แต่คุณลองไปถามจริงๆสิว่าว่าชีวิตอยู่ที่แต่ละวันแต่ละวันก็ว่าอยู่วัดนี่แหละถามจริงๆว่าคุณตรวจศีลของคุณจริงไหมคุณจะหยิบคุณจะจับคุณจะพูดเนี่ยคุณระลึกถึงศีลอยู่ตลอดเวลาไหมถ้าคุณระลึกอยู่ถึงจะเรียกว่าคุณตรวจอยู่ถ้าบางทีคุณพูดคุณก็ไม่ได้นึกอะไรอยู่แล้วคุณนึกจะพูดอะไรคุณก็พูดอะไม่ได้นึกเลยว่าเอ๊ะอันนี้พูดจะโกรธหรือเปล่า เอ้ยอันนี้พูดคำหยาบหรือเปล่าหรืออันนี้พูดเพอเจออะไรหรือเปล่าบางทีไม่ได้สนใจเลยใช่ไหมมันไม่มีศีลไม่มีอะไรพวกนี้อยู่ในหัวเราเลยเราอยากจะพูดอะไรเราก็พูดโดยซ้าไปออยากจะทำอะไรก็ทำนี่นี่ขนาดบอกแล้วนี่ขนาดพวกเรามาฝึกนะซึ่งก็พยายามให้มีการตรวจศีลด้วยหรือว่ามีการตรวจตะบะแม้อย่างนี้เรายังรู้เลยว่าส่วนใหญ่หลายครั้งหลายหนหรือว่า บ่อยไปที่เราเนี่ยทําอะไรโดยบางทีไม่ได้คิดอะไรหรอกก็ <c oughs> ทำทำไปอะ่ะตามเหตุการณ์ตามสถานการณ์เนี่ยสติสามพุทธชงเนี่ยสติที่เป็นองค์ของความรู้รู้แจง้งสติพวกนี้บางทีไม่ได้รู้แจง้งเป็นสติชาวบ้านเป็นสติธรรมดาที่ทําไปตามนั้นหรือบางที ทำไปแล้วถึงค่อยมารู้คือมันยังตามไม่ทันจิตจิตที่เป็นกิเลสเนี่ยเราตามไม่ทันกิเลสเพราะับางทีเผลอไปแล้วขาดสติทําไปแล้วถึงจะมาโอ้โหตายนี่ด่าเขาไปตั้งสองวันแล้วนะเพิ่งมันนึกได้ว่าโอโ้เมื่อวานนี่ด่าเขาแรงไปหน่อยเพิ่งจะมานึกได้อา้าแต่ถ้าไวหน่อยบางทีเนี่ยถ้าฝึกมาดีไวหน่อยก็พอ อารมณ์ขึ้นแล้วก็หลุดคำพูดออกไปแล้วโอ้โหตายหลุดออกไปได้ยังไงเนี่ยหลุดไปด้วยใสายอารมณ์ไปแล้วไม่ชอบใจไม่พอใจแล้วก็พูดเสียงดังพูดหน้าตาดูดูแรงๆห ย, ยาบๆใส่เข้าไปแล้วอะ่ะอย่างเงี้ยถ้าคุณไวยคุณก็มีสติหัวรู้ตัวเลยแล้วถ้าคุณมีสติอย่างนักปฏิบัติธรรมรู้ตัวนี่คุณจะรีบแก้เลยคุณจะไม่ปล่อยให้ว่าผิดแล้ว ผออิดแล้วก็ย้นอยู่นันไม่มีอะผิดแล้วจะรีบแก้เลยเพราะอะไรเพราะบอกแล้วไงว่ารู้ว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยรู้ว่ามันเป็นบาปเพราะอะไรเดี๋ยวต้องซวยนะเดี๋ยวต้องมาใช้นี่นะเ <c oughs> พราะนี่นี้เป็นจริงนะคุณจะหลุดมากคุณจะหลุดน้อยก็ตามนี่หลุดมากนี่มากหลุดเบาๆหน่อ ย, อ น, น อ, ย, น อ, ย อ, อนี่น้อยหน่อยอเพราะฉะนั้นคุณจะเข้าใจตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นกลัวเดี๋ยว อวิบากกรรมมันจะมาตามเล่นงานเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ไปสร้างนี่เว น, นี่กรรมกับใครเลยแม้แต่ความคิดซึ่งคนอื่นไม่รู้เราเลยนะแม้แต่ความคิดอ่ะโอ้ไปคิดลามกไปคิดแค้นคิดชังเขาถ้าคุณเข้าใจบาปจริงๆเนี่ยโอ้ตายนะแค่คิดแค้นคิดชังเขานี่นี่บาปแล้วนะเดี๋ยวต้องใช้นี่เหมือนกันนะนี่ คุณอย่านึกว่าคิดเองไม่มีใครรู้ไม่ติดนี่ไม่ใช่นะมันเหมือนกับขอพูดเปรียบให้ง่ายๆคุณไปขโมยเงินมาไม่มีใครรู้เลยว่าคุณขโมยจับไม่ได้ด้วยไม่มีใครรู้เลยว่าคุณขโมยแต่คุณเป็นนี่ไหมคุณเป็นนี่แม้ไม่มีใครรู้นั่นแหละก็เหมือนกันความคิดของเราเนี่ยแหละแม้ไม่มีใครรู้เลยว่าเราคิดอะไร แต่บอกแล้วว่าเรารู้ว่าเราคิดอะไรใช่ไหมเพราะนั้นเราเลยทำหนังสือเราคิดอะไร <c oughs> เออพราะนั้นเลยไม่ต้องกลัวว่าคุณไม่รู้เอาทำให้คุณอ่านเลยคุณจะเด็รู้ว่าเราคิดอะไรนะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยอาจามาถึงบอกแค่จิตเราคิดไม่ดีขึ้นมาเท่านั้นน่ะ คุณจะจับเลยจับได้เลยแล้วก็โอ้โหตายแล้วตาละนี่มันจะเอาอีกแล้วสิโอ้โดยกิเลนหลอกให้คิดชั่วคิดอกุศลคิดไม่ดีอีกแล้วคุณจะรีบหยุดก่อนเลยหยุดยุดยุดรีบปรับความคิดใหม่คุณจะรีบปรับให้มาเป็นกุศลรีบมาปรับให้คิดดีคุณจะไม่ปล่อยขอยืนยันเลยว่าคุณจะไม่ปล่อยให้มันดีมันดีคิดไปเรื่อยๆยมันดียิ่งคิดยิ่งมันไม่เลย ถ้าคุณยังยิ่งคิดยิ่งมันนะคุณโมหะอยู่มากเลยยังมิจฉาทิฐิอยู่มากเลยเพราะนั่นอันเนี้ยอันนี้เป็นผลเลยนะเป็นผลของวาสนาบารมีเป็นผลของบุญที่เราทำไว้เพราะผลของบุญที่ทำไว้เนี่ยไม่ปล่อยให้คุณคิดชั่วต่อไปเพราะถ้าคุณมีจริง่คุณสะสมบุญไว้จริง บุญก็ไม่ยอมให้คุณคิดชั่วไม่ยอมให้คุณทำชั่วพว่าจะออกมาสู้จะออกมาต้านจะหยุดความชั่วคุณไว้ไม่ให้คุณทำต่อไปจะไม่ยอมยกเว้นวันนั่นแหละบุญคุณน้อยหรือบุญคุณมากก็นั่นแหละถ้าคุณบุญมากพอก็หยุดได้เร็วแต่บุญคุณน้อยมาทั้งทั้ที่รู้อ่ะคุณไปดูสิบางเรื่องอ่ะทั้งทั้งที่รู้ใช่ไหมก็ยังเอาเข้าปากอยู่เลยอร่อยคุณยังเอาเข้าปากอยู่เลย ทั้งทั้งที่รู้นั่นแหละเห็นม้นยังห้ามไม่ลงรู้เนี่ยนะแต่ห้ามไม่ลงอันให้รู้เลยว่าสภาวะนั้นคือความดีที่เราสะสมไว้ยังไม่มากพอเพรา ะ, ะนั้นจะต้องพาหุรีกัมมังจะต้องทําให้มากขึ้นอีกจนกระทั่งบุญกุศลของเราเนี่ยถ้าเราชัดว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เรามาเข้าฝ่ายบุญนิยมแล้วนะเพราะแล้วเราจะต้อง นิยมในบุญนะเมื่อนิยมในบุญก็ต้องพยายามสิเพิ่มบุญให้มากๆอย่าไปเพิ่มบาปเพราะเนี่ยมันจะหนุนเราเลยบุญจะหนุนล่ะเพราะ น, นั้นยิ่งทําให้เรามีกําลังใจหรือว่าทําให้เราเนี่ยเออยิ่งอยากทําดีให้มากขึ้นนะเพราะอะไรเพราะถ้าไม่ทําดีอ่าเดี๋ยวทุกมาเยือนเดี๋ยวบาปมาเยือนเดี๋ยวต้องใช้หนี้นะเพราะฉะนั้นผู้จ้าท่านกเ็เลยตัดว่า ผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบผู้ชนะย่อมได้รับการชนะตอบผู้ฆ่านี้ไม่ว่าคุณจะฆ่าอะไรก็แล้วแต่นะจะฆ่ากายก็ตามค่ากายภายนอกเนี่ยจะเป็นคนเป็นสัตว์ก็ตามคุณฆ่าเขาคุณเป็นหนี้คุณเป็นหนี้คุณก็จะต้องได้รับความเจ็บปวดทรมานอย่างนั้นบ้างเหมือนกันอหรือไม่ต้องไปฆ่าทางกายก็ได้คุณฆ่าทางจิตใจเนี่ยแหละ นะโดยการพูดบัจีฆาตกรรมโดยการพูดทิมแทงพูดทำร้ายเขาโอ้โหอะไรนะอะไรนะพูดจนกระทั่งเขาตายเลยในสามก๊กอะ่ะของเบงก็บะ <c oughs> ของเบงพูดจนจิ้วยี่กรดเลือดตายเลย <c oughs> ป่วยตายเลยนั่นแหละ แม้จะใช้วาจาเนี่ยแหละเราไม่ได้ไปฆ่าทางกายเลยนะไม่ได้ไปใช้มีดดาบไปใช้อะไรฟันก็โอ้โหแต่ใช้วาจาเนี่ยพูดไปฆ่าเขาจนตายเนี่ยคุณก็เป็นหนี้คุณติดหนี้แน่นอนแล้ววันหลังต้องโดนบ้างหรือแม้คราวนี้ไม่ได้พูดเลยทางวาจาไม่ได้พูดแต่บอกแล้วคิดนะตบซ้ายตบขวาแทงพุงเขา <c oughs> ในความคิดคุณเนี่ยแหละ คุณคิดอย่างนั้นนะคุณคิดรุนแรงกับเขาอยู่ในจิตคุณนะคุณก็เป็นหนี้แล้วหนี้นี้วันหลังคุณก็จะต้องได้รับตอบคุณต้องโดนเหมือนกันหนีไม่พ้นเลยนะอันนั้นการฆ่านี่คือการทำลายทำลายเขาหรืออะไรเนี่ยผู้ชนะย่อมได้รับการชนะตอบคราวนี้ใครชนะอะไรมาอันนี้อันนี้เขาพูดแบบโลกๆลกนะ คุณไปยื้อแย่งคุณไปช่วงชิงคุณไปเอารัดเอาเปรียบชนะใครเข้ามาเดี๋ยววัลหลังคุณก็ต้องโดนเหมือนกันต้องโดนแย่งกลับไปเหมือนกันผู้ดา่าย่อมได้รับการด่าตอบนะหรือหรือไปทําให้ใครเกลียดชังนั่นเองรับรองคุณไปทําให้ใครเกลียดชังคุณว่าเขาจะเกลียดคุณหล่ะเกลียด แล้วเราที่ด่าเขาเพราะเราก็ชังเขาะเราถึงด่าเขาเพราะเมื่อเราเนี่ยชังเขาเขาก็จะชังเรา เ, ออเราด่าเขาเขาก็ต้องด่าเราอันนี้พูดแบบคนโลกโลกก่อนนะเพราะว่าอันนี้นี่ท่านใช้กับคนโลกโลกท่านยังไม่ได้มาใช้กับกับนักปฏิบัติธรรมหรือหรือคนที่ดีแล้วผู้โกรธย่อมได้รับการโกรธตอบเพราะความหมุนเวียนแห่งกรรม ผู้แย่งชิงย่อมถูกแย่งชิงกลับคืนนะเพราะนั้นผู้เจ้าเนี่ยท่านตัดถึงเรื่องของความหมุนเวียนแห่งกรรมว่าจะเป็นอย่างนี้แหละท่านถึงใช้อีกอย่างว่าอะไรอ่ะไม่มีฟรีอ่ะไม่มีไม่มีอะไรที่จะมีแต่ได้เพียงถ่ายเดียวเออเหมือนกับมีแต่ผู้ให้เนี่ยแล้วไม่มีผู้รับเป็นไปไม่ได้ มีผู้ให้ต้องมีผู้รับคือมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นของที่เหมือนกับคู่กันเน่ยเป็นของที่ติดอยู่ด้วยกันถ้ามีแต่ผู้ให้แล้วไม่มีผู้รับจะเรียกว่ามีผู้ให้ด้ไมไ้มไม่ได้เอั น, นี้มันเป็นสัจจะอย่างหนึง่งว่าจะต้องมีอย่างที่คู่กันคือมีผู้ให้ต้องมีผู้รับอันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราไปทำอะไรไว้ใช่ไหมคุณไปเกียิเขาอ่าคุณจะต้องมีเกียดตอบมาแน่ มันเป็นผลอย่างเงี้ยที่มันมั น, ม, นมันติด ก, กันอยู่มันคู่กันอยู่นะเพราะฉะนั้นเราเข้าใจเรื่องกรรมตรงนี้ให้ดีถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมนี้ได้เนี่ยไปพยายามระลรึกแล้วตรวจดูตัวเราบ่อยๆบ่อยๆนะจนกระทั่งเราเห็นสัจจะเห็นความจริงอันนี้มันจะช่วยสลายไอ้ความยึดอัตตาอะไรต่างๆที่เราเนี่ยยังยังยังไปยึดอยูท่ทั้งที่เรารู้ว่าไม่ดีเนี่ยแหละเรารู้ว่าเป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ย พอเราไปพิจารณาอย่างนี้เราจะโอ้ไม่เอาแล้วรีบสลายรีบโยนทิ้งดีกว่ามันจะเกิดสภาวะนี้ขึ้นมาแล้วจะช่วยทำให้เราเนี่ยกิเลสหลายตัวที่เราคิดว่าเราจะเลิกไม่ได้หรือเรายัางทำไม่ได้เนี่ยคุณไปดูนะถ้าคุณพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆนะคุณไม่อยากอยู่กับมันเลยครั้นี้ยคุณอยากจะรีบทิ้งมันอยากจะรีบสลายมันให้มันรีบหลุดหลุดออกไปจากใจเราให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทาได้เพราะ ยิ่งเร็วเท่าไหร่เรายิ่งพบสุขแบบโลกุตระได้เร็วเท่านั้นจะไม่ไม่ใช่สุขแบบโลกละคราวนี้จะเป็นสุขแบบโลกุตระสุขแบบโลกุตระคือสุขที่กิเลสมันหลุดออกไปได้นั่นแหละคือสุขแบบโลกุตระนะอ้าววันนี้เราก็ฟังเรื่องความมุนเวียนแห่งกรรมมาแล้วกัน